ตอนที่9ปัญหาที่สามถามการเกิดแห่งอายาตนะห้าข้าแต่พนาเสนอายาตนะห้าในวงเล็บตาหูจมกูกลิ้นกายเกิดด้วยกรรมต่างๆกันหรือเกิดด้วยกรรมอย่างเดียวกันขอถวายพระพรอายาตนะห้านั้นเกิดด้วยกรรมต่างๆกันที่เกิดด้วยกรรมอันเดียวกันไม่มี ขอนิมมนุปมาณด้วยขอถวายพระพรพืชต่างๆห้าชนิดที่บุคคลหวานลงไปในนาแห่งเดียวกันผลแห่งพืชห้าชนิดนั้นก็เกิดต่างๆกันฉันใดอาญตนะหาน้าเ่านี้ก็เกิดด้วยกรรมต่างกันฉันนั้นที่เกิดด้วยกรรมอย่างเดียวกันไม่มีพระผู้เป็นเจ้ากล่าวแก้ถูกต้องดีแล้ว ปัญหาที่สี่ถามเหตุต่างๆกันแห่งกรรมพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาสนเรพราะเหตุใดมนุษย์ทั้งหลายจึงไม่เสมอกันคือมนุษย์ทั้งหลายมีอายุน้อยก็มีมีอายุยืนยาวก็มีอาภาิาธมากก็มีอาภาิาธน้อยก็มีผิวพรรณวั น, นะไม่ดีก็มี ผิวพันวณนนะดีก็มีมีศักด์น้อยก็มีมีศักด์ใหญ่ก็มีมีโภคซั์น้อยก็มีมีโภครั์มากก็มีมีตระกูลต่ำก็มีมีตระกูลสงก็มีไม่มีปัญญาก็มีมีปัญญาก็มีพระเทระจึงย้อนถามว่าขอถวายพระพรเหตุใดต้นไม้ทั้งหลาย จึงไม่เสมอกันสิ้นต้นที่มีรสเปรี้ยวก็มีมีรสขมก็มีมีรสเผ็ดก็มีมีรสฝาดก็มีมีรสหวานก็มีคาแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมเข้าใจว่าเป็นเพราะความต่างกันแห่งพืชขอถวายพระพรข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละคือมนุษย์ทั้งหลายไม่เสมอกันหมด เพราะกรรมต่างกันข้อนี้สมด้วยพระพุทธดีกาของสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าสัต์ทั้งหลายมีกรรมต่างกันเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมทําให้เกิดมีกรรมเป็นพวกพ้องมีกรรมเป็นที่อาศัยย่อมจําแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวดีต่างกัน ข้อนี้ถวายพระพรพระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้ว